นันก็สรุปว่าพยายามนึกถึงดีๆหน่อยนะถ้านึกถึงส่วนที่ไม่ดีก็ไปน่าจะไปไม่รอดพระก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกบอกเถอะพระก็จะไปตามกรรมของพระเหมือนกันพระทําทไม่ดีพระก็แย่เหมือนกันนะอันนี้เรียกว่าสัรรกรรมนะั้นนึกถึงตัวใดตัวนั้นนําเกิดทีนี้ต่อไปถ้าไม่ได้นึกถึงกรรมใดเลยอาจจะพวกคตินิมิตรปรากฏแสดงว่ากรรมใดทํากรรมใดไว้มากกรรมนั้นจะนําเกิด ทำกรรมมาให้มากอันไหนไว้มากกรรมนั้นจะนําเกิดนี้เราก็มาลองคิดดูง่ายๆอย่างนี้ว่ากายยสุจริตกับกายยะทุจริตอันไหนมากกว่ากันแล้วก็ถ้าบอกว่าถามตอนนี้นะเราจะนึกได้แต่ตอนบุญนะถ้าไปถามที่อื่นนะเราจะนึกได้แต่สิ่งที่ไม่ใช่บุญก็คิดดูนะเรื่องเรื่องอะไรนะเรื่องเกี่ยวกับฟังธรรมเนี่ยเราไล่ที่นั่งฟังธรรมได้ได้ได้ครบใช่ไหมไล่แป๊บเดียวก็หมดแล้วแต่ถ้านั่งไล่ที่ไปนั่งเพอ้อเจอ้อกันเนี่ยนะ ตรงนั้นก็ไปนั่งเพรเจอร์ ger, กับคนนั้นตรงนั้นก็ไปนั่งเพรเจอร์ ger, กับคนนั้นตรงนั้นอูย้ยเล่าได้หมดเลยอันนั้นเล่าอยู่ครึ่งวันไม่มีจบอย่างเงี้ยก็นึกดูว่าเออวจีสุจริตกับวจีทุจริตอันไหนมากกว่ากันมันนึกถึงตัวเองอีกว่าเ อ, อ๊แล้วมโนสุจริตกับมโนทุจริตอันไหนมากกว่ากันก็พอจะบอกได้เลยใช่ไหมว่ากรรมไหนมากกรรมนั้นนําเกิดอันนี้นในถ้าไม่มีอาสานะกรรมนะพหุลกรรมคือกรรมไหนทํามากกรรมนั้นจะนําเกิด พอมาทบทวนนะว่าทำกรรมอะไรไว้มากตอนนี้พอมาพยายามเจริญวัจีกรรมมาไว้มากๆกล่าวอริยสัจเอาไว้เยอะๆเดี๋ยววัจจีกรรมพวกนี้จะนํำเกิดมากเพราะเมื่อก่อนก็ร้องเพลงไว้หลายเพลงเหมือนกันทีนี้ก็ยังเนี่ยตัวนั้นยังไม่ต้องรีบนําเกิดนะจะรีบพูดธรรมะเอาไว้เยอะๆเดี๋ยววัจจีกรรมจะนําเกิดเนี่ยนะก็ที่มาทําอยู่นี่ก็กลัวนรกอยู่เหมือนกันนายโย่ถ้ดูเอเนี่ยถ้าไม่เรียบเจริญนี่ไม่ปลอดภัยนะเนี่ยพอสังเกตดูแล้วโอ้ไปดูปลามันเยอะเหลือเกิน ทีนี้ถ้าไม่มีคารุกรรมไม่มีอาจินกรรมไม่มีอาสนกรรมกรรมตัวไหนนําเกิดกตัตาวาปนกรรมคือเจตนาดวงที่สองถึงดวงที่6แม้เมื่อแสนโกรธกลับที่แล้วก็มานําเกิดได้นะดวงที่สองถึงดวงที่6กนะกี่ชากี่ล้านชาติมาแล้วก็สามารถมาให้ผลนําเกิดได้อันนั้นเรียกว่ากตัตาวาปนกรรมในดีกาท่านจึงยกพรมนารทกัสปชาดกมาให้ดู นะว่ากรรมเนี่ยถ้าหากว่าโดยเฉพาะดวงที่สองถึงดวงที่6เนี่ยพวกมีตาทิพย์ทั่วไปไม่รู้หรอกเช่นอ่นะคนที่มีตาทิพย์นะที่พระองค์กล่าวไว้ในมหากรรมวิพังกสูตรเช่นกล่าวถึงว่าฤาษีบางคนที่ได้ทิพย์พระจักขุเขาเห็นเลยว่าคนนี้ดีทั้งชาติตายแล้วไปเกิดในสวรรค์เขาก็ยืนยันว่าเออสัตว์เนี่ยถ้าทำดีไปสวรรค์แน่นอน ทีนี้มีพวกมีตาทิพย์บางคนชาตินี้เกิดไปทําดีตลอดตายแล้วตกนรกคนนี้ก็บอกว่าโอยใครทําดีตกนรกหมดแหละเขาเห็นจริงนะแต่ที่เขาพูดอ่ะมันไม่จริงเขาเห็นจริงว่าเออคนนี้ทําดีทั้งชาติแต่ตกนรกบางคนนี่ไปเห็นว่าคนนี้ทําเลวตลอดชาติแล้วตกนรกอีกคนหนึ่งไม่เห็นบอกคนนี้ทําเลวตลอดชาติขึ้นสวรรค์เพราะฉะนั้นทําบาปไม่มีผล คล้ายๆ阿拉ตะเสนาบดีเขาเลือลกได้ว่าอดีตชาติเขาทําบาปไว้ตลอดเลยเกิดในตระกูลเพชรคาศ์แต่มาชาติหลังมาเกิดในตระกูลเสนาบาดีตระกูลรัฐมนตรนีก็เล ย, เยมันไม่น่าใช่ว่าบุญบาปไม่มีจริงเพราะพวกนี้ไม่รู้จักอภราระเวชนียกรรม น, นะไม่รู้จักกรรมที่ทําไว้แล้วเมื่อเป็นโกรธกลับที่แล้วไม่รู้จักกรรมที่ทําไว้เมื่อหลายสิบชาติที่ผ่านมา มันกรรมเหล่านี้เนี่ยนะโดยเฉพาะกรรมในอดีตเนี่ยคิดแล้วไม่ปลอดภัยเลยแล้วใครทําให้เราพญายมเขาบอกว่าไงนะ <c oughs> นี่บุรุษผู้เจริญกรรมเหล่านี้พ่อก็ไม่ได้ทําให้ท่านนะแม่ก็ไม่ได้ทําให้ท่านมิตรอัมมัดญาติสาโลหิตพวกพ้องไม่มีผู้ใดทําให้ท่านหรอกที่แท้ท่านทําด้วยตัวของท่านเองก็ความชั่วใครทําให้ทําให้เราใช่ไหมคนโกรธแทนเราได้ไหมโกรธเผื่อเราได้ไหมไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นของ เฉพาะตัวจริงๆอนนี้กตัตาวาปณ ก, กรรมเนี่ยนะก็ถือว่าอันตรายมากอย่างบางคนนะถ้าให้นึกถึงกตตาวาปณ ก, กรรมนึกยังไงสมมุติว่าอา้าวชาตินี้เกิดมาได้มีโอกาสนับถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนับถือพระธรรมเป็นที่พึ่งนับถือพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถกรรมเจริญสมถวิปัสสนาแต่ได้ระดับหนึ่งบุญเหล่านี้นําเกิดในสวรรค์ เนี่ยตั้งคำถามใหม่ว่าคุณไปอยู่ที่สวรรค์คุณไปอยู่ทำอะไรคิดหรือว่าจะฟังธรรมน่ไงเนะคิดหรือว่าไปเดินในห้างแล้วเสียบเสาเบ้าฟังธรรมไปด้วยอ๋อพี่อิทเป็นนะ อ, อนุโมทนาด้วยเนี่ย น, นะเนี่ย น, นะอ๋ออ อ, อ, อก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขขอให้พ้นทุกข์ แลคิดดูนะเออถ้าไปอยู่ในโลกสุขติโลกสวรรค์แล้วไปทําอะไรนี่ตั้งคําถามว่าความสุขนะอะไรก็ตามที่เป็นความสุขนะมันจะแป๊บเดียวคิดง่ายๆเหมือนกับคนฟังธรรมนะวันไหนที่ฟังรู้เรื่องเข้าใจมากวันนั้นเหมือนแป๊บเดียววันไหนที่ฟังไม่รู้เรื่องเลยวูบวันนี้ทําไมนาฬิกามันเดินช้าจังเลยช้าจริงจริงแตกแต ก, แตกโอ้เมื่อไหร่จะหมดเวลาท่านก็พูดยากยากเนี่ยนะอย่างงี้ยแคิดดูเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าความทุกข์มันจะนานมากความสุขจะแป๊บเดียว เพราะฉะนั้นอยู่ในสวรรค์ที่ก็บอกว่าเก้าล้านปีสาสิบหกล้านปีกี่ร้อยล้านปีก็ช่างแต่มันไม่นานหรอกเพราะชีวิตมีแต่ความสุขโดยส่วนเดียวอารมณ์มีแต่หน้าปราถนาชมแต่สีนี่ก็หมดเวลาแล้วอย่างเงี้นะ เ, เหมือนคนที่เข้าไปเที่ยวสวนดอกไม้ที่งามวิจิตรเนี่ย นะครับไปเที่ยวไปเที่ยวสวนดอกไม้เนี่ยจะต้องนัดเวลาที่จะขึ้นรถนะไม่งั้นเนี่ยตายยาวดอกนั้นก็สวยดอกนี่ก็งามชมไปเรื่อยจะต้องบอกเวลาขึ้นรถไว้เนี่ยนะไม่งั้นเนี่ยพลนไม่รู้อจากอิ่มหรอกฉันใดในโลกของกาลมาคุณนี่ก็เหมือนกันนั้นคนเข้าห้างน้อยนักที่จะรีบกลับบ้านบางคนก็อยู่จนห้างเขาปิดนั่นแหละพลนมากเลยไนงะสวรรค์ก็ชั้นนั้นเหมือนกันเพราะนชาตินี้ทําบุญไว้เยอะชาติหน้าไปสวรรค์ ตายจากสวรรค์ไปไหนต่อเนี่ยขานี้อัปราประเวชนียกรรมจะเล่นงานแล้วนะปานาติบาต ท, ที่เคยทําไว้ชาตินี้นะ่จะนําเกิดชาติที่สามก็ได้อธินนาธานที่ทําไว้ชาตินี้มันไปนําเกิดในชาติที่สามก็ได้กามีสุมิชฌาจารมุสาวาทหรืออะไรก็ตามที่ทําไว้ชาตินี้นะดึงจากสวรรค์ไปตกนรกต่อได้เลยเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่าง น, าายยางนี้จริงๆว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นเทวดากลับมาสู่ความเป็นมนุษย์น้อยนะัก เทวดาที่กลับมาสู่ความเป็นเทวดาคืนน้อยนะักโดยมากไปสู่อบายทุกติวินิบากและนรกอันนั้นในขนาดดึงจากเทวดาไปตกนรกเลยนะฉั้นเทวดาไปตกนรกเนี่ยมากกว่ามาเป็นมนุษย์หรือมากกว่ามาเกิดเป็นเทวดาคืนเว้นไว้แต่ผู้มีบุญจริงๆผู้มีบุญจริงๆก่อนจะตายจากเทวดานะเขาก็นึกถึงบุญเขาก็ขึ้นต่อไปได้และก็เกิดไปเรื่อยเกิดไปเรืยขึ้นสูงสูงสูงสูงไปเรื่อยแต่ถ้าพวกบุญน้อยล่ะ กำลังเก็บดอกไม้ยังไม่ทันร้อยเสด็จตายแล้วยังไงนะอย่างใครนะอย่างเทวดาชื่ออะไรที่เป็นบริวารของสุพรหมเทพประบุษนะเทวดาที่เป็นบริวารของสุพรหมเทพบุษห้าร้อยกำลังเที่ยวเก็บดอกไม้จะร้อยพวงมาลัยยังเก็บดอกไม้ไม่เสร็จตายแล้วโน่นเผาอยู่ในนรกห้าร้อยเพบเอยู่นั่นเลยนะเพราะฉะนั้นชีวิตเหล่านี้มันแม้กระทั่งสุขในสวรรค์ก็ชั่วคราวเอาละสมมติเกินชาติหน้าไปเกิดเป็นเทวดาแล้ว นึกถึงบุญก่อนตายจากเทวดาไปเกิดเป็นมนุษย์หรือถ้าเกิดเป็นมนุษย์คุณไปอยู่ที่ไหนครับนี่สมมติถ้าคุณไปอยู่เป็นเทวดาสักอะอยู่สักเก้าล้านปีใช่ไหมหมดอายุจาตมเลยลงมาเป็นมนุษย์คุณมาอยู่ตรงไหนครับนี้พุทธศาสนาหมดตั้งนานแล้วนะพุทธศาสนาหมดนานแล้วมาเป็นมนุษย์อยู่ตรงไหนมีพ่อเป็นใครมีแม่เป็นใครเข้าโรงเรียนสอนสาศาสนาไหนอย่างเงี้ยนะเพราะพุทธศาสนาหมดไปนานแล้ว่ยนะ ก็มาทำอะไรก็อันนี้ก็ตัวใครตัวใครแล้วก็นี้วัดตานี่ยาวแน่ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมสังสารวัตรจึงยาวพระองค์จงตัดว่าทุกขของพระโสดาบันเลือเหมือนกับน้ำเจ็หยดเมื่อเทียบกับน้ําทะเลทุกขของปุตุชนทั้งหลายเท่ากับน้ําทะเลทุกขของพระโสดาบันเลือเหมือนกับถั่วเหลืองหรือถั่วเขียวเจเม็ดเทียบกับทุกขของพระปุตุชนเหมือนกับแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะ พันการทําให้แจ้งอริยสัจการตรัสรู้อริยสัจบรรลุเป็นพระโสดาบันนี้จึงมีคุณหาประมาณไม่ได้ดังนั้นผู้ที่เขาศึกษาปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคลเขาเห็นภยัยเห็นภัยว่าหลังจากนี้ต่อไปอะไรคืออะไรอะไรคืออะไ ร, ะไ ร, ออะไรเขาจึงไม่ยินดีแม้แต่สวรรค์เขาจึงไม่ยินดีแม้แต่ในสวรรค์เพราะว่าสวรรค์ก็ไม่เที่ยงสวรรค์ก็เป็นของชั่วคราวเนี่ยนะคือที่พักในระหว่างทางชั่วคราวเท่านั้นเอง เพราะสังสารวัตรเขาเรียกว่าอัธนะมาคะอัธนะมาคะแปลว่าทางไกละทางไกลจริงๆไกลขนาดไหนไกลถึงขนาดว่าที่เรามาเนี่ยก็ก่อนเนี้ยมาถึงตรงกลางพอดีที่เราไปก็ก็แสดงว่ามันไกลอีกเท่าไหร่เหมือนกับว่าเดินรอบโลกเนี่ยนะเดินรอบโลกแล้วเดินอยู่อย่างงั้นแล้วถามว่าเมื่อไหร่มันจะเดินจบ ก็เดินมาไม่รู้กี่ร้อยรอบเลยใช่ไหมก็เดินไปอย่างเงี้ยแล้วถามว่าเหมือนกับเดินบนบนอะไรที่มันกลมๆนะเดินเดินวงล้อมอ่ะแล้วถามว่าเดินอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นอยู่กลางพอดีเดินวงกลมนะใครเคยเดินบ้างเดินรอบที่หนึ่งก็แล้วรอบที่สองก็แล้วรอบที่สามก็แล้วเดินเดินเดินเดินเดินไเดินเมื่อไหร่ยืนอยู่ตรงไหนก็ถือว่ายืนอยู่ตรงกลางสําหรับสัตว์ที่ยังอยู่ในวัตตะอยู่ท่ามกลางขันธาตุอายตนะก็เป็น ฉันนั้นทุกคนอยู่ในถ้มกลางแห่งสังสารวัตรเหมือนกันหมดเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าไม่เว้นแม้แต่ขณะหนึ่งที่ไม่ทำกรรมใหม่ใช่ไหมก็เป็นการมีแต่ต่อโครงการวัดต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อ ย, ออ ย, ออยแบบที่ผู้การเล่าว่าคนที่ทำอะไรประสบความสำเร็จนะ้นะโครงการมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมีแต่จะขยายโครงการตอนแรกบอกทำท่าจะเลิก เ, เสร็จงานนี้เลิกาาทาไปเกือบเสร็จแล้วคิดโครงการใหม่ได้ทาต่อ ไอ้โครงการสุดท้ายบอกว่าพอและพอไปถึงวันนั้นนะเกือบจะเสร็จพอดีตอบต่องานใหม่เรียบร้อยแล้วนี่นะมันก็ลักษณะนี้แหละงั้นโครงการในวัฏตะจึงไม่มีคำว่าเลิกง่ายๆไม่มีจบง่ายๆบางทีทํำมารู้ตัวอีกทีว่าอ้าวนี่เกือบจะตายอยู่แล้วอย่างนั้นทำไงได้ครับนี้นีก็เนี่ยของมาจริงก็ต้องมาเจริญกรรมสกตาเดี๋ไปคิดเรื่องคนอื่นมากเดี๋ยวจะป่วยเอาอันนเออเขาก็ไปด้วยกรรมของตัวเขานั่นแหละเขาก็รับผิดชอบตัวเขาเองนั่นแหละ สิ่งที่เขาทําคําที่เขาพูดโลกของความคิดของเขาอะไรก็ตามเป็นสมบัติของเขาไม่เห็นเราต้องไปขอแบ่งเขามาเลยก็เลยทําใจได้ค่อนข้างสบายใจหน่อยอะนะเม้งก็ไปเที่ยวป่วยกับพ่อมั่งป่วยกับแม่บ้างป่วยกับญาติบ้างป่วยกับคนโน้นบ้างป่วยกับคนนี้บ้างโอ้ยประทุสร้ายตัวเองขาดเมตตาต่อตัวเองคิดแต่เรื่องบาปอากุศลว่เห็นเขาทุกคนอื่นนะคือมันแปลกนะเห็นคนอื่นทุกเราก็อยากติดเชื้อง่ายนะติดง่ายไหม ก็ง่ายเห็นเขาทุกข์เราก็อยากทุกข์กับเขาด้วยเหมือนกับเห็นเขาโกรธนี่เราก็อยากจะโกรธร่วมกับเขาด้วยอย่างเงี้ยมันติดกันง่ายเห็นก็จมอยู่ในวัดแต่ทุกข์ไอ้มันมันเหมือนสนุกนะเอาด้วยเอาด้วยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีกรรมสกตาไม่งั้นก็ไปเที่ยวแบ่งบาปเอาคนอื่นเอาบาปคนอื่นมาติดไว้ในใจเราเต้ไปหมดเลยนะก็เขาไม่ดีอ่ะก็ยังไงก็เขาไม่ดีถ้าคุณอยากคิดคนดีคุณก็คิดถึงพระพุทธเจ้าสินั่นแหละคนดีมันมาคิดถึงพระพุทธเจ้าดีกว่าจะได้สบายใจเนี่ยนะ นันก็ขยันขยันสาธยายพุทธานุสติจนกว่าจะจำแม่นก็นแล้วกันจำได้เมื่อไหร่จะได้วนๆอยู่กับเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยใจจะได้ผ่องใสใช่ไหมเพราะวนอยู่ในเรื่องคนชั่ววนมานานแล้วถ้าบรรลุนะบรรลุไปนานแล้วเพราะพวกนั้นไม่ใช่อนุสตินะคนเลวทั้งหลายเนี่ยจะได้อยู่บ้างคือมอรานุสตินะเอาไว้เจริญมรานุสติเถอะแต่ถ้าไปเจริญานุสติโอ้ยมีความดีเช่นนั้นเช่นนั้นเช่นนั้นไม่มีหรอก เพราะคนเร็วก็คือคนเร็ววันยังคำ่ำคิดยังไงก็เห็นแต่ความชั่วของเขาไม่ชั่วทางกายก็ชั่วทางวาจาไม่ชั่วทางวาจาก็คิดชั่วทางใจพันพยายามมาคิดถึงคนดีคือพระพุทธเจ้าคิดถึงพระอริยาสาวกทั้งหลายความคิดเหล่านี้เนี่ยถามว่าทำไมคิดถึงพระพุทธเจ้าจึงดีเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้พ้นจากวะะัฏะทไมนึกถึงพระสงค์จึงเป็นความดีเพราะพระสงค์เหล่านั้น เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อดับวัตตะเนะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อดับวตะถ้าเราคิดถึงพระพุทธเจ้ามากเท่าไหรคิดถึงพระสงค์มากเท่าไหร่ไม่นานสักเท่าไหร่เราจะปฏิบัติเพื่อดับวัตะจนได้เพราะเราเห็นดีด้วยกับการปฏิบัติเพื่อดับวัตะของท่านทีนี้พูดถึงย้อนมาเรื่องกรรมอีกครั้งหนึ่งนะในบรรดากรรมทั้งหลายเนี่ยกรรมใดที่มีกําลังทํากิจเสร็จเช่น ว, ว่า ถ้าทำปาณาติบาตเนี่ยครบองค์อทินนาทานเป็นต้นครบองค์พวกนี้ก็นำเกิดในอาบายได้จริงอันนี้เรียกว่าทำสำเร็จถ้าทำไม่สำเร็จก็ให้ผลในประวัติการถ้าทำครบองคเนี่ยหมายความว่าเช่นครบองค์ปาณาติบาตที่ไหนนะประตูอาบายเปิดไว้ตรงนั้นแล้วขอมาไปเปิดไว้ตามท้องนาเนี่ร่วมพันไร่เนีนะ่ยอันนี้งว่างแล้วทียังฝันเห็นท้องนานเหล่านั้นอยู่เลยโอ้แสดงว่าประตูอาบายทำไมมันใหญ่จังเนี่ยนะ มันก็ใครเปิดพัดตัวบาบไว้แถวแถวไหนมากก็ระวังให้ดีๆนะจะต้องไปเจริญกุศลให้มากชดเชยจนกว่าอะไรนะที่ไหนเกลือมเข็มนะเราทำไงดีก้อนเกลือมันเข็มปีเลยตรงนั้นทำไงก็ต้องไป้ามตักน้ำทะเลไปรด <c oughs> ต้องเอาน้ำจืดเอาน้ำบอ่อเอาน้ำฝนเนี่ยไปรดไปเจือจางตรงนั้นจนกว่าจะจางออกไปเนี่ยนะจะต้องคิดให้เป็นบุญจนกว่าจะต้องจางออกไปนึกถึงตรงนั้นแล้ว ก็จางหมดแล้วนะน้ำน้ำน้ำจืดเต็มไปหมดเลยเกลือไม่เค็มแล้วเนี่ยนะก็เจริญบุญจนกว่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าทําบุญยังไม่ได้ขนาดนั้นอย่าพึ่งอุ่นใจเลยเนะเพราะว่ากรรมตัวใดที่ครบกรรมบดกรรมตัวนั้นจะนําเกิดการให้ทานนะถ้าให้สําเร็จเป็นทานรักษาศีลสําเร็จเป็นศีลเจริญภาวนาสําเร็จเป็นภาวนานั้นกุศลกรรมเหล่านี้นําเกิดนี้เรียกว่า ชนะ ก, กรรมชนะ ก, กรรมไอ้คำว่านาเกิดหมายคว่านำเกิดในปฏิสนธิการเนี่ยนะแต่ชน ก, กรรมคำว่าชนะ ก, กรรมหมายคำว่าไงออชนะ ก, กรรมเนี่ยตอนโดยทั่วๆไปมักจะพูดในปฏิสนธิการแต่ในวิสุทธิมรรครวมถึงประวัติการด้วยในหน้า5้าบข้อหกกล่าวว่า ชนกรกรรมเนี่ยเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ชนกรกรรมนั้นย่อมทำวิบากขันในการมาพบรูปประพบและอรูปประพบให้เกิดขึ้นทั้งในปฏิสนธิการและในประวัติการพันกรรมใดที่สามารถยังวิบากและกรร ม, มชรูปให้เกิดขึ้นกรรมนั้นเรียกว่าชนกรกรรมเนี่ยนะชนกรกรรมชนกกรรมนั้นสามารถให้ผลเป็นปฏิสนธิจิตให้ผลเป็นภวังคจิตให้ผลเป็นทวิปัต ทวิปัญจาวิญญาณจิตให้ผลเป็นสัมปติชนะจิตสันติรณจิตและตถาลัมมณะจิตเนี่ยนะอันนี้คือผลของชนะกรรมและสามารถทำวิบากทำกรรมมชรูปกรรมชรูปคือตากรรมชรูปคือหูคือจมูกคือลิ้นคือกายกายคือผมกายคือขนกายคือเล็บกายคือฟันคือหนังเนื้ออินกระดูกเป็นต้นเนี่ยนะชนะกรรมเหล่านี้สามารถทาวิบากและกรรมชรูปให้เกิดขึ้น ทีนี้กรรมใดที่ไม่อาจทําวิบากให้เกิดขึ้นเมื่อกรรำอื่นให้ปฏิสนธิแล้วก็ไปอุปธรรมสุข น, นะถ้ามีความสุขก็ไปเพิ่มความสุขให้ถ้าเขามีความทุกข์ก็ไปเพิ่มความทุกข์ให้ที่เกิดขึ้นในเพราะวิบากที่กรรมอื่นทําให้คือทําให้เป็นไปได้ยาวตลอดกาลนานอันนี้ลักษณะของอุปธรรมภกกรรมเรียกว่าผู้ร่วมผู้ร่วมเข้าแจมด้วยนะให้เองไม่ได้แต่ไปช่วยเสริมเขาอ่ะนะ อไปเป็นกองเชียร์ได้อย่างเงี้ยนะไปเชียร์ซะจนอะไรเงรนะี้ยนะท่านพวกอุปธรรมพกกรรมนี่เข้าเป็นลักษณะนั้นเขาให้เกิดเองไม่ได้หรอกแต่เขาไปเป็นกองเชียร์กองสนับสนุนส่งเสริมให้โครงการอะไรนั้นมันยาวสุกก็ให้สุกนานๆดีใช่ไหมชอบถ้าทุกนานๆไม่ดีเนี่ยนะโรคทาท่าจะหายแล้วไม่หายซักทีนะให้มันป่วยยาวๆอย่างเงี้ยเราเรียกว่า อ, อุปธรรมบาปถ้าอุปธรรมบุญ่ะถ้ามีความสุขก็ทำให้สุขไปนานไม่รู้จักป่วยจากไข้ลักษณะนี้เรียกว่าอุปธรรมภักกกรรมส่วนอุปปีและกะกรรมก็คือแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่ากรรมที่ลดวิบากไปลดจำนวนนะ่ะนะ เมื่อกำอื่นให้ปฏิสนธิแล้วก็ย่อมบีบคัน้นคือเบียดเบียนสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นในเพราะวิบากที่กำอื่นทำให้เกิดแล้วคือไม่ยอมให้เป็นไปตลอดกาลนานประเภทนี้ทำหน้าที่ลดอย่างเดียวอะไรนะเช่นเ็ามีโครงการให้ห้าสิบวันเจ้านี้ไปลดแค่สาสิบวันก็พออย่างเงี้ยนะเออคนนี้ควรทำงานได้รายได้มื0นหนึ่งเองหรือห้าพันก็พออย่างเงี้ยไอ้ประเภททาหน้าที่ไปลดอย่างนี้แหละเรียกว่า อุปปีและกระกรรมมานะตามเบียดตามเบียน ต, ตามบังอยู่นั่นแหละแล้วเปรียบแบบสมัยใหม่ก็คล้ายๆกับว่าคุณมีรายได้เต็มเท่านี้นะต้องถูกหักออกเท่านั้นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะตามหักตามอะไรตามลดไปเรื่อยๆกิจอันนี้แหละเรียกว่าอุปปีและกระกรรมเนี่ยนะปกติควรจะได้นั่งฟังธรรมโสตวิญญาณฟังธรรมสักสามชั่วโมงใช่ไหมอุปปีและกระกรรมมาเบียดบอกอ่าฟังชั่วโมงเดียวพอแล้วอย่างนี้น ลักษณะนั้นแนหะมันเบียดให้ให้ให้หมดหมดไปเลยนะ น, นะควรจะได้พักผ่อนสบายสักสิเออสัก5้าชั่วโมงบอกพักชั่วโมงเดียวก็พออย่างงี้ยนะลักษณะของอุปปีและกักรรมคืออะไรนะตัวขวางความสุขนะนะตัวขวางความสุขขณะเดียวกันก็ขวางความทุกข์ด้วยนะถ้าบาปจะให้ผลเนี่ยสมมติให้ผล10ปีเนี่ยเอางี้ก็แล้วกันเออลดหน่อยนะให้เหลือแค่สองปีก็พออย่างเงี้ย น, นะเพราะฉะนั้นอุปปีและกักรรมเนี่ยบาปไปเบียดเบียนบุญ บนไปเบียดเบียนบาปเนี่ยนะก็มันมันทำหน้าที่ตัดกันอยู่อย่างนี้ก็กรรมมันวิจิตรขนาดนี้แหละนะชีวิตเราบางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์บางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์บางครั้งก็ทุกข์นานบางครั้งก็ทุกข์น้อยบางบางครั้งก็สุขมากบางครั้งก็สุขน้อยก็เพราะมีกรรมหลายกลุ่มด้วยกันส่วนอุปคาตกรรมก็คือห้ามวิบากอื่นนะห้ามวิบากของกรรมอื่น ลักษณะของอุปาคาตกรรมนะตนเองนี้เป็นได้ทั้งกุศลและอกุศลย่อมตัดรอนกรรมอื่นที่สามกำลังขัดขวางวิบากของกรรมนั้นเสียทําโอกาสให้แก่วิบากของตนหมายคำว่าถ้าสมวยผลบุญอยู่ดีๆเนี่ยนะอุปปีรกรรมบอกว่าพอแล้วบุญที่เหลือบาปให้ผลแทนนั่นนะถ้าหากว่าสมวยผลบาปอยู่ดีๆเนี่ยนะบุญมาตัดปับ๊บบุญให้ผลแทนน่นนะ มันพวกลักษณะอุปคาตกรรมคือไปเบียดเบียนกรรมอื่นตัดกรรมอื่นซะแล้วตัวเองให้สิทธิแทนเช่นว่าบุญก็ไปตัดบาปอุปคาตเนี่ยนะอุปคาตกรรมเนี่ยนะบุญไปตัดบาปเช่นว่าบาปกําลังให้ผลบุญก็ไปตัดแล้วบุญให้ผลแทนถ้าหากว่าบาปมีอยู่บุญไปตัดแล้วบุญให้ผลถ้าบาปมีถ้าบุญมีอยู่บาปไปตัดบาปก็ให้ผลแทนลักษณะนี้เรียกว่า อุปคาตกรรมก็บางอย่างเนี่ยนะทําท่าเหมือนดีใช่ไหมเหมือนดีอยู่พักหนึ่งออาไม่ดีกลายเป็นไม่ดีไปแล้วอีกตอนหนึ่งนะโอ๊ยกลายเป็นคนดีดีอีกภักหนึ่งกลายเป็นอ่านะเขาตราหน้าว่าเป็นคนเลวไปเรียบร้อยแล้วลักษณะแบบนี้แหละเรียกว่าอ่านะลักษณะนะไม่ใช่สภาวะลักษณะแบบนี้เรียกว่าอุปคาตกรรมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยก็ได้รวยเลยใช่ไหม ก็เช่นจนจนอยู่ดีๆเนี่ยนะกานบุญมาหล่นทับกลายเป็นสบายไปเลยบุญกําลังให้ผลอยู่ดีๆป่วยเฉยอะไรอย่างเงี้ยนะท่านถามคุณเจ้าครับว่าครูท่านแสดงว่าชนะ ก, กรรมนี้ให้ผลเป็นสัมปัติชนะสันติอรณะอะไรด้วยใช่ครับก็ให้เป็นการเห็นได้ยินอะไรด้วยคราวนี้ถ้าเป็นตอนปฏิสนธินี่ก็เห็นได้ชัดเจนว่าชนะ ก, กรรมต่างจากอุปธรรมภกกรรมแต่ถ้าหลังจากปฏิสนธิไปแล้วเนี่ย การเห็นได้ยินแต่ละครั้งเนี่ยจะเป็นชนะกรรมเป็นผลของชนะกรรมหรืออุปธรรมพรกรรมเนี่ยเราจะดูความต่างกันยังไงครเพราะว่าอุปธรรมเขาก็คงจะให้การเห็นสามเติชนะสันติชนะอะไรด้วยก็ถ้ากล่าวถึงอุปปีและกรรมขอภัยชนะกรรมอุปธรมภรกรรมเนี่ยถ้าแยกเนี้ยปกติเช่นว่าชนะกรรมเนี่ยทำให้จักขูวิญญาณเห็นสี ทีนีชนะกรรมเนี่ยเป็นกรรมที่ไม่มีกําลังอะไรสักเท่าไหร่เป็นกรรมพอประมาณพออุปธรรมัมภรกรรมมาทําให้เห็นชัดขึ้นนะมาช่วยทําให้การเห็นเนี่ยเห็นชัดขึ้นได้ฟังชัดขึ้นรู้กลิ่นชัดขึ้นหรือว่าเช่นว่ามีความสุขก็ทําให้มีความสุขเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะนะถ้าถ้าดูตามลักษณะ น, นี้ก็เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอุปธรรมภกกรรมฝ่ายดีถ้าเป็นฝ่ายบาปเนี่ยก็ป่วยอยู่แล้วใช่ไหม อุปธ ร, รมพกกรรมก็เพิ่มปริมาณในความป่วยนี้ให้มันมันเพิ่มขึ้นเพิ่มให้ทุกขะกายวิญญาณเนี่ยเกิดที่เดิมนั่นแหละมันมันเพิ่มความเจ็บป่วยมากขึ้นถ้าเป็นผวังนี่อุปธรรมภกกรรมให้ผลเป็นภวังได้ครับหรือว่าเฉพาะชนะกกรรมก็อุปธรรมภกกรรมก็ไปช่วยทําให้หลับสบายขึ้นใช่ไห้อุปวัง ก, ก, ก็เช่นหลับใช่ไหมความหลับ อนนอุปธรรมก็ไปทําให้หลับสบายโดยที่คนอื่นห้ามกวนห้ามอะไรเนี่ยนะให้กินบุญเก่าได้สบายสบายอะไรอย่างเงี้ยหมายความว่าพวังนี้จะต้องเป็นผลของชนกกรรมเจิญพอนอันนี้ถ้ากล่าวตามนิยาวิสุทธิมักนะนี่เรากําลังเรียนตามแนววิสุทธิมักอนนะห้ามเอาอภิธรรมมัทสังกหะกับเอาอังคุตอัตกถาอังคุตรนิกายมาปนแต่นี้เรากําลังพูดแบบไม่ไม่ปนกับมติอื่นแต่นี้เราพูดตามนี้ตรงๆนะเพราะว่าการวินิจฉัยเรื่องตามเหล่านี้มีหลายนิยัวด้วยกัน แต่นี้เรากําลังเรียนวิสุธทธิมรรคโยนะแล้วเดี๋ยวคัมภีร์ท่านขัดกันจริงๆไม่ขัดกันหรอกแต่สามารถอธิบายได้หลายวิธีด้วยกันแต่ว่าวัตถุประสงค์ของการพูดเรื่องกรรมเนะี่ยนะย้อนนับใหม่อีกครั้งว่าวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเดี๋ยวจะเรียนต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะเรียนไปข้างหน้านะเพื่อจะได้กําหนดปัจจัยแล้วการกําหนดปัดจจัยเหล่านี้เนี่ยนะเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อกําหนดจะดับปัจจัย เพื่อกำหนดจะดับปัจจัยเพราะต้องการดับปัจจัยหลักๆที่ทำให้เป็นไปในวัฏฏะคืออวิชชาปัจจัยคืออวิชชาปัจจัยคือตัณหาถ้าดับปัจจัยคืออวิชชาดับปัจจัยคือตัณหาก็อวิถ้าดับได้แล้วก็ดับอวิชชาตัณหาก็จะเป็นการไปดับกรรมถ้าดับกรรมก็เป็นอันดับวิบากถ้าดับวิบากก็กลายเป็นสิ้นทุกไปด้วยประการอย่างนี้แล ความต่างการแห่งกรรมและวิบากแห่งกรรมบสองอย่างเหล่านี้ตามประการดังกล่าวมานี้ย่อมเป็นอันปรากฏชัดโดยสภาวะของตนตามความเป็นจริงก็คือสามารถทำให้รู้ความเป็นจริงกรรมมัิยปากยานของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นถ้าถ้าจะละเอียดชัดโดยทุกครบถ้วนกระบวนวารจริงๆเนี่ยนะจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าจึงจะรู้ละเอียดจริงๆ เพราะว่ากรรมวิปากรยานเนี่ยถือว่าไม่ใช่ยานที่เป็นสาธารณะแก่ภาษาวกก็พกระโยคาวจรผู้เจริญวิปัสนาพึงทราบความต่างแห่งกรรมและวิบากได้สักส่วนหนึ่งคือคําว่าส่วนหนึ่งแปลว่าโดยเอกเทศรู้โดยเอกเทศอย่างเงี้ยคือรู้ได้ไม่หมดอ่ะนะเหมือนอย่างว่าตาเนื้อของเรานี้เห็นได้กี่กิโลดีตาของเราที่เห็นนะรัศมีกี่เม็ด ชัดๆหน่อยก็ไม่กี่เมตรใช่ไหมถ้าห่างๆไปก็เบลอไปเรื่อยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆในที่สุดก็ไม่เห็นละเพทัศนวิสัยไม่ไกลอะไรแต่ปกติถ้าตาเนื้อของพระพุทธเจ้ามองเห็นสิบหกกิโลเมตรไม่มีอะไรปิดบังด้วยนะคือเราก็เห็นอะแต่ก็เห็นระดับเราพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นด้วยตาเนื้อแต่เห็นเห็นไกลเห็นมากเพราะฉะั้นถ้าจะเห็นได้บริบูรณ์เท่าพระพุทธเจ้าก็ต้องมีตาระดับพระพุทธเจ้าถ้าจะเห็นเท่าพระพุทธเจ้านะ ถ้าจะเห็นโลกธาตุได้ทั้งหมดไม่มีส่วนเหลือก็ต้องมีสัพพัญยุตยานแบบพระพุทธเจ้าแต่คนที่รู้เรื่องนี้ก็รู้แต่บางส่วนเนี่ยนะรู้เป็นบางส่วนคือรู้ไม่หมดแล้วก็แต่ถามว่าควรรู้หรือไม่ควรรู้ควรนะนะควรรู้เพื่อปฏิบัติเพื่อความดับกองทุกแต่ไม่ใช่รู้เพื่อไปเป็นเชี่ยวชาญ น, นักนักกรรมวิทยาอย่างไงไม่ใช่ไปครับมีความสามารถขนาดนั้นใช่ไหมแบบ มีความสามารถเรื่องกรรมเท่ากับพระพุทธเจ้าแต่เรารู้ละเรื่องราวเหล่านี้เพื่อให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นกรรมและวิบากเมื่อรู้กรรมวิบากจะรู้ว่ากรรมที่มันให้ผลเป็นวิบากเพราะมีกิเลสก็จะได้ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเพื่อกำจัดกิเลสก็จะได้ดับกองทุกข์ได้พระโยคาวจรผู้หนึ่งย่อมรวบรวมเอากรรม12ออย่างนี้เข้าไว้ในกรร ม, มวัดะนะบวกกับกิเลสวัดเนี่ยนะ ทำการกำหนดปัจจัยของนามรูปด้วยสามารถแห่งกรรมวัดและวิปากวัดอย่างนี้พระโยคาวจรผู้นั้นครั้นเห็นตามความเห็นความเป็นไปตามปัจจัยแห่งนามรูปด้วยสามารถแห่งกรรมวิบากรรมวัดและวิปากวัดอย่างนี้แล้วย่อมพิจารณาเห็นว่านามรูปนี้ในปัจจุบันการย่อมเป็นไปตามปัจจัยด้วยสามารถแห่งกรรมวัดและวิปากวัดฉันใด แม้ในอดีตการนามรูปทั้งหลายก็เป็นไปแล้วตามตัดใจด้วยสามารถแห่งกรรมวัฏและวิปากวัฏฉันนั้นแม้ในอนาคตการก็นามรูปก็จะเป็นไปตามปัจจัยด้วยสามารถแห่งกรรมวัฏและวิปากวัฏฉันนั้นกรรมและวิบากของกรรมกรรมวัดและวิปากวัฏความเป็นไปของกรรมและความเป็นไปของวิบากความสืบต่อของกรรมและความสืบต่อของวิบาก การกระทําและผลของการกระทําย่อมเป็นไปอยู่อย่างนี้วิบากทั้งหลายย่อมเป็นไปเพราะกรรมวิบากมีกรรมเป็นเหตุเกิดภบใหม่ย่อมมีเพราะกรรมโลกเป็นไปอยู่อย่างนี้เนี่ยนะก็คือโลกย่อมเป็นไปตามกรรมใช่ไหมกรรมมุนาวัตติโลโกนะถ้าสรุปย่อลงมาก็เหลือเท่านี้ทุกวันนี้ก็เหลือได้แต่คํานี้ใช่ไหมแต่คำอธิบายรายละเอียดเรื่องกรรมลืมหมดแล้วคือคือไม่รู้แล้วนะก็เหลือได้แต่คํำนี้นะเพราะไปที่ไหน ปะบอกกรรมมนาวัตตีโลโก้อลึกซึ้งมากนะเก่งเก่งอ้างบาลีได้อย่างเงี้ยที่ไหนได้อธิบายไม่ได้สักอย่างดังนั้นก็อันนี้คือบทสรุปนะบทสรุปเ<อ>มื่อพระโยคาวจรนั้นพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้วิวิจิกิจฉาสิบหกอย่างนั้นใดที่พระองค์ตรัสปรารภส่วนเบื้องต้นเป็นต้นโดยนัยว่าในอดีตการเราเคยมีหรือเนอะเป็นต้นวิจิกิจฉาทั้งหมดนั้นจะถูกละไป เพียงแต่นามรูปที่เป็นไปในการมาพบรูปประพบอรูปประพบเป็นไปในกำเนิดคือเกิดในคั้นเกิดในไข่เกิดในเท่าคลายและอุป ป, ปาติกะเกิดในคติคือนรกเดราชานเป ต, ติวิสัยมนุษย์และเทวดาเกิดในวิญญาณทิติเจมีปฏิสนธิจิตต่างกันเป็นต้นและในนิวาสคือสัตววาด้ก้าทั้งปวงด้วยอำนาจความสัมพันธ์กันแห่งเหตุและผลเท่านั้นย่อมปรากฏ มีแต่การเชื่อมโยงกันเป็นระบบเครือข่ายเนี่ย น, นะเชื่อมโยงกรรมให้มีวิบากเชื่อมวิบากเพื่อทํากรรมทํากรรมใหม่ก็จะได้มีวิบากต่อไปเหตุผลแห่งวัตตก็เป็นไปอย่างนี้พระโยคาวจรนั้นย่อมไม่เล็งเห็นผู้ทําที่นอกเหนือไปจากเหตุคือกรรมไม่เล็งเห็นผู้เสวยวิบากที่นอกเหนือไปจากความเป็นไปของวิบากผู้ทําก็คือตัวกรรมนั่นแหละผู้เสวยก็คือตัววิบากนั่นแหละ ก็นามได้รูปย่อมเป็นอันเธอเห็นอย่างดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบว่าเมื่อมีเหตุบัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงโดยความเป็นเพียงโวหารสมัญญาว่าผู้ทําเมื่อมีความเป็นไปของวิบากบัณฑิตทั้งหลายจึงกล่าวถึงโดยความเป็นเพียงสมัญญาโวหารว่าผู้เสวยคำว่าผู้ทําไม่มีอยู่โดยปรมัติแต่จิตกรรมนี่มีอยู่ ผู้สเสวยไม่มีไม่มีอยู่โดยประมัตแต่วิบากมีอยู่เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าทํากรรมเนี่ยก็โดยโวหารว่าผู้ทํานะถ้ากรรมมีอยู่ก็เรียกว่าโวหารว่าผู้ทําวิบากมีอยู่ก็โดยโวหารว่าผู้สเสวยเดี๋ยวรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องกรรมนี้คงเป็นต่อบ่ายๆดีกว่านะ